สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หกสิบหกแล้วนะครับเรื่องของการที่พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรนะครับบันทึกอยู่ในโ้จชนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมลูกานะครับบทที่สี่นะครับหรือตรงกับพระธรรมมัทธิวมาระโกนะครับมัทธิวอยู่ในบทที่แปดนะครับมาระโกอยู่ในบทที่หนึ่งครับ ข้อที่29นะครับของมาลาโกผมอยากให้พี่น้องฟังครับโปรดฟังโรชนะของพระเจ้าพอออกมาจากธรรมศาลาพระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเรือนของเปโตและแอนดรูพร้อมกับยากบและยอนแม่ยายของซีโม น, นอนป่วยจับไข้ยอยู่ในทันใดนั้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื่องของนางแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้น และความไข้ก็หายนางจิงปฏิบัติพระองค์กับพวกของพ ร, องพระองค์เพียงครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าพระเยซูทรงห่วงใยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวานนี้เราเรียนรู้ว่าพระเยซูทรงรักษานะครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคผีเข้าครับนในวันนี้พระเยซูทรงรักษาแม่แม่ยายของเปโตนะครับเราจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ ว่าพระเยซูทรงห่วงใยสภาพร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตใจของเราแล้วเข้าใจอย่างท่องแท้นะครับว่าปัจจุบันนี้พระเยซูก็ส่งดําเนินกนารอัศจรรย์ทําการอัศจรรย์อยู่องค์ก็ยังทรงรักษาโรคนะครับได้เหมือนเดิมอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องชูนขอทิฐฐานครับหากเป็นธรรมชาติของพระเจ้านะครับในการรักษาโรคร้ายเราก็จะรับการรักษาครับแต่ถ้าหากว่าหลายในครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจครับ ว่าทำไมพระเยซูถึงไม่รักษานะครับก็เป็นเหตุผลของโปร่งและเป็นความสัมพัญญ์ูของโปร่งด้วยเช่นเดียวกันครับในวันนี้เราจะพบว่าพระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรครับนะมารักโกนั้นบันทึกว่าพอออกจากธรรมศาลาพระเยซูกับสาบวกชาวประมงสีคนนั้นก็เข้าไปในเรือนของเปโตรแอนดูนักบวชดีในคาเปร์นาอุมนะครับบอกให้ทราบถึงที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะครับถ้าพี่น้องใครก็ตามที่เคยไปอิสราเอลนะครับ แล้วแวะเข้าไปที่คาปอร์นาอูมครับเราเห็นนะครับว่าที่ตั้งของบ้านหลังนี้ครับก็เป็นบ้านขนาดใหญ่ครับโดยที่อยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งทะเลแกลลีลีนะครับจากจุดที่เป็นบ้านของไปโต้นะครับเราเชื่อกันว่าเป็นอยู่ที่นั่นนะครับจากจุดนี้เราสามารถยืนและจินนักการทาาของรบเยซูเดินไปนะครับเรียบชายฝั่งทะเลแกลลีลีนะครับและไปยังธรรมศาลาที่อยู่ใกล้ๆบ้านของ เปโตรแลนดูนั่นเองที่แม่ยายนอนอยู่เพียงครับในมัทธิวบทที่แปดนะครับข้อสิบสี่นั้นบันทึกบอกว่าแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้ยอยู่นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเปโตรนั้นแต่งงานแล้วครับบางทีตอนที่เปโตรไปนมัสการที่ธรรมศาลาแม่ยายอาจจะกำลังดีๆอยู่ครับแต่อยู่วันอยู่ดีๆขึ้นมานะครับไม่รู้ป่วยรโรคอะไรอาการชุดไข้ขึ้นครับพระเยซูก็ รักษาให้หายนะครับลูกาบทที่สีข้อสามเก้าบันทึกว่าพระเยซูทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บทรงขนาดไข้ไข้ก็หายครับในมัทธิวเล่าว่าพระเยซูทรงจับมือนางความไข้ก็หายนะครับมาระโกบอกว่าแล้วพองคศิรจไปจับมือนางพยุงขึ้นความไข้ก็หายและในที่สุดนะครับนางก็กลัิบัติพระเยซูกับพวกของพระองค์บันทึกทั้งสามเล่มนะครับล้วนเล่าว่าทรง รักษาหายอย่างรวดเร็วมากครับนะครับขนาดไข้ไม่ถึงสั่งนะครับจับมือนะครับไข้ก็หายเลยนี่คือการรักษาแบบพระเยซูครับนะครับวันสบาโตนะครับของคนยิวนั้นเริ่มต้นจากเย็นมันจุกนะครับเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับก็จะเริ่มนับนะครับเป็นชั่วโมงที่หนึ่งสองสามไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเย็นวันเสาร์ครับเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะครับ ชาวสมาโตในวันสมาโตนั้นชาวยูจะไม่ทำงานไม่หุงหาอาหารนะครับหรือแม้แต่เดินไกลกว่าระยะที่ยอมให้ก็ไม่ได้นะครับพุนั้า่านตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของวันนั้นคงจะเป็นการพักผ่อนและไป ท, ทำกิทร่วมกันในบ้านของเปโตครับหลังจากการอศกา ร, ร์ครั้งนี้ก็คือที่รักษาพระเยซูรักษาแม่ใหญ่ของเปโตพี่น้องครับเมื่อหายนะครับ กินศพของพระเยซูนั้นก็เลื่องลือกว้างขวางมากยิ่งขึ้นชาวเมืองคาปิโ น, นอุมนั้นรู้ว่าพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นพอค่ำลงปรากฏว่าเกิดเรื่อะไรขึ้นครับคนทั้งปวงคนเจ็บคนปว่วยต่งางๆก็มาหาพระเยซูครับมหาพรง่งแล้วก็ทุกคนนะครับคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาอ้อกันอยู่หน้าประตูบ้านของเปโตพี่น้องครับสาโพจนะของพระเจ้านั้นมันทึกว่าพอค่ำลงเขาก็พาคนผีเข่าเป็นนั้นมากมาหาพระองค์ จงก็ทรงขับผีออกด้วยพระดํารักนะครับด้วยคำตัดและบรรดาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นทงก็ได้สร่งรักษาให้หายเพียงครับบัตทิวได้บันทึกว่าการนี้นะครับการนี้เพื่อจะให้สําเร็จตามคําพยากรณ์ของผู้เผยพระชนะอิศยาว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอโรคของเราไปเพียงครับหลายคนก็ท่องพังผีข้อนี้ได้นะครับ และก็อธิษฐานมากนะครับท่องท่อมผีข้อนี้ซ้าไปซ้ำมารครับเพื่อเกิดความเชื่อว่าพระเยซูของเราทรงได้แบกความเจ็บไข้ของเราหลายและหอบโรคของเราไปแล้วนะครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับท ร, ทรงทรงขนาดผีร้ายในขณะเดียวกันทรงก็รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่า ลูการและมาระโกนั้นก็บันทึกต่อนะครับว่าพระเยซูได้อธิษฐานหลังจากเหตุการณ์การอัศจรรย์การรักษาโรคนะครับรักษาแม่ยายของเปโตแล้วเปียซูก็ฟื้น ฟ, ฟูวิญญาณจิตของโธงนะครับด้วยการเข้าขพระพุทธเจ้าด้วยการอธิษฐานมาระโกบันทึกนะครับในบทที่หนึ่งข้อสาบห้าบันทึกว่าชั้นเวลาเช้ามืดโธงก็ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปที่เปียลและทรงอธิษฐานที่นั่น เยซูส่งเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบร้อร์เนต์นะครับในขณะเดียวกันพระเยซูก็ส่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบธรรมดาธรรมดาเหมือนกับพวกเราร้อยเปอร์เซ็นตต็มเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยังต้องหาเวลาสงบใจเข้าพ่อพระเจ้าครับหาเวลาที่จะเป็นเวลาเฝ้าเดียวกับพระองค์เพื่อที่จะรับกําลังฝ่ายจิตวิญญาณครับเพียงครับเราเห็นนะครับว่าพระองค์ต้องการสถานที่ที่สงบลําพังนะครับใช้เวลาเข้าพ่อพระเจ้า จึงต้องตื่นแต่เช้ามืดครับหาที่สงบเพื่ออธิษฐานเข้าเ้า พ, พระเจ้าตามลำพังนะครับนี่คือชีวิตของพระเยซูขณะที่โรงทํางานของพระเจ้าพระบิดานะั้นโรงก็ต้องเก็บตัวนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับกําลังที่มาจากโปรง่งพี่น้องครับพระเยซูนั้นแท้จริงแล้วโรงเป็นพระเจ้านะครับโรงไม่ต้องรับกําลังจากใครนะครับแต่โรงทรงกระทําอย่างนี้เพื่อให้เกียรติพระบิดาในขณะเดียวกันนะครับ เพื่อเป็นตัวอย่างของพวกเราทั้งหลายครับในการที่เราจะต้องอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวบางคนก็เปิดไลน์นะครับนะครับเปิดไลน์ของผมเนี่ยและใช้แทนกันเฝ้าเดี่ยวผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าอย่าเลยครับใช้แทนกันไม่ได้ท่านจะต้องอ่านเพิ่มพีเองไขควรน้ำมัสการพระเจ้านะครับฟังผมเนี่ยเป็นการเสริมความรู้นะครับบางท่านอาจจะมีความประทับใจในบางประโยคนะครับใน บางประยุกต์ในข้อประยุกต์บางอย่างแต่อย่างนี้ก็ตามครับอย่าให้ผมนะครับที่จะย่อยแทนท่านเลยแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเมื่อท่านอ่านโพชนะของพระเจ้าขอประคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมได้มีโอกาส ร, รับใช้พี่น้องโดยผ่านทางลายนี้และขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน